ในปฏิบัติต่อยัองดีไหมดีจ้าค่ะอ่ามันไปถึง จ, จุดตรงที่อ่าลงหายใจหายไปอ่าพุทโธหายไปจะอยู่กับว่างไม่เต็มเจ้ะอ่ามันไปต้งที่ล <laughs> ง, ง, งว่างแล้วก็ไปดู่ักวา่าหนึ่งว่ามาอยู่ทําไมที่ลงว่างอ่ะทำไมไม่ภาวนาพุทโธอ่าก็พุทโธต่อไปหลังจากนั้นแล้วก็พุทโธก็ามาแล้วค่ะลมหายใจก็มาเอ่ เฉยๆเลยค่ะไม่เป็นไรถ้ามันว่างก็ให้ให้รู้เฉยๆอย่าไปทําอะไรมันให้รู้ว่ามันว่างว่างกัดีเข้าใจไหมไม่มีลมไม่เป็นไรไม่มีพุโทโธไม่เป็นไรถ้ามันว่างแต่ถ้ามันเริ่มคิดก็ต้องหยุดมันแค่มันว่างๆไม่คิดอะไรสักแต่ว่ารู้นิพพานก็คือความว่างถ้าเรานั่งสมาธิไปจนถึงจุด ที่มันว่างลมก็ไม่มีพุโทโธก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีมีแต่ความว่างนะใช้ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องวิ่งไปหาลมไม่ต้องวิ่งไปหาพุโทโธพุโทโธกับลมส่งให้เราไปหาความว่างพอเราถึงความว่างแล้วเราก็ทิ้งพุโทโธทิ้งลมแล้วก็อยู่กับความว่างไป แต่สาคัญอย่าคิดก็แล้วกันถ้าคิดก็แสดงว่าไม่ว่างถ้าไม่ว่างก็ต้องกลับมาพูดโทใหม่กลับมาดูลมใหม่ถ้าว่างแล้วไม่คิดอะไรสักแต่ว่ารู้อย่างเงี้ยดีแล้วพยายามฝึกขัดเป็นคนแบบนี้ต่อไปออกจากสมาธิมาก็ทำเป็นสักแต่ว่ารู้แบบไม่รู้ไม่ชี้ใครจะอะไรก็ไม่รู้ไม่ชี้รู้แต่ไม่รู้ไม่ชี้ หลักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไม่ไปออกไปยุ่งกับเขาแล้วใจเราก็จะไม่วุ่นวายแต่พอรู้แล้วอดไม่ได้ต้องไปยุ่งกับเขาไปบอกเขาต้องไปว่าเขานี่มันก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาให้ฝึ ก, กให้ฝึกให้มันรู้เฉย รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเฉยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะดับก็ให้รู้ว่ามันดับท่านั้นแหละชีวิตจะมีความสุขไม่ต้องวิวุ่นวายวันนี้มันวุ่นวายมันไม่มันไม่รู้เฉยๆรู้แล้วมันอยากจะไปยุ่งกับสิ่งที่เรารู้ใช่อหมบาก็เลยวุ่นวายเพราะบางทีมันมันไปยุ่งกับเขาไม่ได้เขาไม่ให้ยุ่งด้วย การฝึกสมาธิการเพื่อให้ใจเราอยู่กับความว่างให้เรามีความสุขกับความว่างไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องมียาบยศไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีลูกมีแล้วมันวุ่นไหมมีแต่ละอย่างมันวุ่นทั้ง น, นั้นน่วุ่นกับลูกวุ่นกับแฟนวุ่นกับสมบัติเห็น มีอะไรต้องวุ่นถ้าไม่มีแล้วสบายแต่ใจเราอยู่แบบสบายไม่เป็นชอบอยู่แบบวุ่นเราเลยต้องมาฝึกสอนมันให้หัดอยู่แบบใหม่อยู่แบบไม่วุ่นเราต้องอาศัยพุทโธอาศัยการดูลมหายใจอ า, อาศัยสตินี้คอยดึงใจไว้ใจเรามันชอบ ชอบไปวุ่นไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องใช้สติหนึ่งมันกลับมาหนึงกลับมาอยู่ที่ผู้รู้ตัวรู้ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เาขาชมเราก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเขาด่าเราก็ไม่ต้องเสียใจให้รู้เราไปห้ามเขาไม่ได้ ใครจะทําอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชั่วก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากห้ามมันทุกข์ขึ้นมาทันทีความอยากความอยากเป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ถ้าใจเราไม่อยากแล้วรู้เฉยๆจะไม่ทุกข์แฟนจะกินแล้วก็ไม่ทุกข์มันเรื่องของมันมันอยากจะกินก็กิน แฟนอยากจะไปเที่ยวไปมีแฟนอาไปมีแฟนใหม่ก็เรื่องของมันเราเลือกคนมาเนี่ยเราโ่เองไปเลือกคนอย่างนี้มาไปยุ่งกับเขาเองถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ไม่ต้องทุกข์กับเขาพอไปเอาเข้ามาแล้วก็ต้องทุกข์กับเขาก็ไปยอมทุกข์ไม่ยอมรับยอมไม่ยอมรับความจริงว่ามันทุกข์อยากจะได้สุขจากเขาอย่างเดียว ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละกให้รู้เฉยๆไปถ้ารู้เฉยๆได้ก็อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่กับคนอื่นมันก็ต้องมีปัญหาเพราะเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆสามวันดีสี่วันไข้บางวันก็ดีวาวานี่บางวันก็ดี นอนก็ดือ้อดื้อไหมเคยดื้อไหมนันก็หน่านอนสอนง่ายวอนก็โอ้โหไม่ยอมเนี่ยาการมาฝึกสมาธิก็เพื่อมาปล่อยวางทุกอย่างสมาธิจะให้เรามีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรอยู่เฉยๆอยู่คนเดียว สบายแน่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็สบายเพราะไม่ต้องใช้ร่ า, า, า, า, งงางกายมาให้ความสุขถ้ายังต้องใช้ร่างกายมาให้ความสุขก็จะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เวลาแก่จะไปไหนทีก็ลําบาก เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้เวลาตายก็จบแต่ถ้ามีสมาธิมีความสงบอยู่กับความว่างได้สบายไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นไรร่างกายแก่ก็ไม่เป็นไรร่างกายเจ็บก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายสุขเนาะสุขเนาะ คำว่าสุขเนานี่มาจากเศรษฐีมาบวชมาบวชเป็นพระแล้วก็เข้าถึงความว่างอยู่กับความว่างได้เข้าถึงพระนิพพานมีความสุขเลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้สุขหนอสุขหนอเดินไปไหนก็บนสุขหนอสุขหนอพระเนรก็คิดว่าไม่มีสติสตังก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็เลยเรียกมาสอบว่าทำไมถึงเดินไม่มีสติสดังเหนอเห็นบนว่าสุขเนอสุกเนอหลวงข้าพเจ้ามีข้าพเจ้ามีความมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ที่มันสุขเนอนี่เพราะว่ามันสุขจริงๆมันเลยกั้นไม่อยู่มันเลยต้องออกมาทางวาจาพราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนไม่เคยเจอสุขแบบนี้ สุขแบบเศรษฐีมันสุขแบบทุกหนอทุกหนอะทุกกับทรัพสมบัติพอมันเจอสุขแบบสุขกับความว่างนี่หมามันสุขแท้สุขจริงมันเลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอะพระพุทธเจ้าบอานี้ไม่ได้ไม่เป็นไรใช้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เสียสติมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา หรือว่าตัวเองกำลังอุทานสุขน้อสุขน้ออยูอ่เพราะอํานาจของความว่างของใจนี่แหละมันให้ความสุขมากม า, ก, ากกว่าความสุขทั้งปวงท่านถึงบอกนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบก็คือความว่าง ใจว่าพอใจว่างแล้วก็สงบถ้าไม่ว่างมันก็ไม่สงบถ้าไม่ว่างมันก็ต้องปรุงแต่งคิดนูน่นคิดนี่ห่ว ง, เ ร, ง, วงเรื่องนู่นห่วงเรื่องนี้อยากได้เนั่นอยากได้นี่นนใจก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีแลพอเราอยู่กับความวุ่นวายตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่รู้สึกตัวแต่นขึ้นมาก็วุ่นวายกับร่างกายก่อนแล้ว ้าห้องน้ําห้องท่ า, าหาอะไรให้มันกินแล้วก็ไปวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองมันก็วุ่นวายกับการไปซื้อข้าวซื้อของเองอพอเงินหมดก็วุ่นวายกับไปหาเงินใหม่วุ่นวายกันอยู่อย่างเนี้ก็ อ, อยู่กับความว่างไม่ได้ห้ออยู่ว่างๆคนเดียวนี่เหงา ว้าเวซึมเศร้าเพราะอยู่กับความว่างไม่เป็นใจมันหิวกับสิ่งต่างๆหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสหิวกับลาบยศสัรเสริอต้องมีสิ่งเหล่านี้มาให้เสรถึงจะรู้สึกมีความสุขแต่ในขณะเดียวก็ต้องไปวุ่นไปกับมัน ก่อจะได้สิ่งเหล่านี้มาก็ต้องวุ่นหาเงินหาทองทํางานทําการเวลาทํางานก็วุ่นกับการทํางานเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาซื้อสิ่งต่างๆมาเสพนี่คือชีวิตของพวกเราชีวิตของผู้ที่นั่งสมาธิไม่เป็นผู้ที่นั่งสมาธิเป็นเขาไปหาที่เงียบอยู่ คนเดียวเราก็ทําใจให้สงบสบายแต่ว่าสมาธิยังสงบแบบไม่ถาวรสงบในขณะที่ไปนั่งพอออกจากสมาธิมาก็วุ่นเพราะยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากมันไม่ตายด้วยการใช้การนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิไปทับความอยากไว้ไปกดความอยากไว้เหมือนเห็นทับหญ้เาเราเห็นไปทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นมาตอนที่อยู่ในสมาธิไม่มีความอยากอยู่กับความว่างได้อยู่กับเฉยๆได้แต่อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวพอความอยากมันมีกําลังดันขึ้นมามันก็ดันให้เราออกมานั่งแล้วเจ็บก็อยากกะลุกนะ ถ้าหยุดความอยากลุกได้ก็นั่งต่อไปได้มีสติเราไม่พอเราขี้เกียจไม่ยอมพุโทโธต่อถ้านั่งล้วเจ็บมันอยากจะลุกกบพุโทโธต่อไปเยอยาขี้เกียจสร้างสติขึ้นมาใหม่สติเราเริ่มอ่อนกำลังลงความอยากก็มีกำลังมากขึ้นหรือความอยากมันถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บ พอเกิดความเจ็บความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาอยากอยากให้ความเจ็บหายไปอยากจะขยับร่างกายถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องเพิ่มกำลังของสติให้มากกว่าเดิมถึงจะอยู่กับมันได้ถึงจะสู้กับความอยากได้พอมันอยากมาก็พุทโธใส่กลับเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปอยู่กับความเจ็บให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับคำว่าพุโทโธลืมความเจ็บไปลืมความเจ็บแล้วก็ไม่ความเจ็บก็ไม่มารบกวนใจเวลาดูหนังปวดฉี่ยังยังยังนั่งทนดูได้เลยเพราะมันไม่ได้ไปอยู่กับฉี่มันอยู่กับห <_ ın> นังพอดูหนังไปมันก็เลยลืมฉี่เวลาเล่นไพ่เหมือนกันเล่นไพ่นี่บางทีลืมกินข้าวได้ หิวก็ไม่ไม่เลิกกำลังมันยิ่งกำลังได้เนี่ยโหยิ่งอยากจะเล่นต่อพอ <c oughs> <c oughs> ใจมันมีอะไรให้มันอยู่แล้วมันก็ลืมเรื่องต่างๆที่มาลบกวนใจได้เรื่องทางร่างกายจะหิวจะเจ็บจะปวดมันไม่ไ ม, ไม่สนใจนอกจากมันสุดๆจนทนไม่ไหวดร้ิงๆทงนะมันถึงจะไป ถ้าเรานั่งแล้วเจ็บเราต้องใช้พุทโธใช้เพิ่มสติถ้าเป็นน้ำมันร้อยก็น้ำมันหมดแล้วต้องรีบเติมสติสู้กำลังของกิเลสไม่ได้สู้กำลังของความอยากไม่ได้ก็ต้องเพิ่มสติเพิ่มพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยากให้ความเจ็บหาย ย, ย, าห ย, หยิ่งอยากยิ่งเจ็บใหญ่ยิ่งอยากยิ่งทรมานใจ แต่พอจิตสงบมันก็หายเจ็บมันก็หรือว่ามันหายทรมานหายหา ย, หายอยากพอจิตสงบความอยากก็หยุดไปถึงแม้จะมีความเจ็บอยู่ก็ไม่เดือดร้อนแล้วทีนะี้ความเจ็บนี้ใจรับมันได้ถ้าใจสงบอยู่กับความเจ็บได้อันนี้คือเรื่องของสมาธิ มันยังไม่สามารถทำลายความอยากได้แต่จะให้ความอยากหมดไปนี่เวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนให้เห็นว่าความอยากนี่แหละที่ทำเ ป, เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทองประมานไม่ใช่ความเจ็บความเจ็บมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรถ้าใจเราไม่มีความอยากให้มันหายมันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะเราอยากให้มันหาย ถ้าเราไม่อยากให้มันหายมันมันไม่มันไม่มันไม่ทรมานเราอยู่กับมันได้ฉะนั้นเวลาเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องอยากไปเปลี่ยนท่าเราต้องมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากของเราเปลี่ยนจากความอยากให้มันหายเจ็บให้มันอยู่ไปมึงอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเปลี่ยนใจ ให้มันอยู่กับเขาอยู่กับความเจ็บให้รู้ให้สักแต่ว่ารู้ถ้ามันเด้อมันไม่ยอมก็ต้องใช้พุโทโธใช้สติหยุดมันหยุดความอยากแต่ต้องรู้ว่าทำไมเราถึงต้องไม่ทำตามความอยากเพราะทำตามความอยากมันจะทำให้เราต้องคอยทำอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็พอพอเปลี่ยนท้าเดี๋ยวไม่นานมันก็เจ็บอีกเจ็บก็ต้องเปลี่ยนอีก ก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่ย แ, แล้วเดี๋ยววันมันมันไปเจอตอนที่มันเจ็บแล้วเปลี่ยนไม่ได้ทำยัอไงเจ็บท้องเนี่ยเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะไปยืนไปเดินไปนั่งมันก็ยังปวดอยู่งั้นถ้าเรายังอยากให้มันหายก็ใจก็จะทร ม, มานแต่ถ้าเราฝึกใจให้เฉยๆไปกับมันปวดท้องก็รู้ว่ามันปวดอยู่กับมันไปห้ามมันไม่ได้ดับมันไม่ได้ อยากให้มันหายก็จะทรมานใจไปเปะ่าๆก็ยอมให้มันเจ็บไปพุทโธไปถ้ามันไม่ยอมก็พุทโธพุทโธให้มันยอมแล้วพอมันยอมแล้วทีนี้ใจก็เฉยร่างกายก็ยังเจ็บท้องก็ยังเจ็บเหมือนเดิมแต่ใจไม่เจ็บลพะพอใจสงบใจเฉยมันก็ไม่เจ็บะ แ, แล้วต่อไปมันก็จะแก้วิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยการหยุดความอยาก ไม่ได้ไม่ได้แก้ด้วยการไปทำตามความอยากเพราะแก้ด้วยการทำตามความอยากมันไม่จบอะ่ะเดี๋ยวมันก็มาใหม่มาใหม่ก็ต้องทำตามความอยากใหม่แล้วมันพอไปถึงเวลาที่ทำตามความอยากไม่ได้ทีนี้ก็ทีนี้ก็ทุกข์อย่างเดียวทรมานอย่างเดียวแต่ถ้าแก้ด้วยการเปลี่ยนใจเราหยุดความอยากอย่าไปอยากให้เขาหายไป เขามาก็ปล่อยเขามาไปอยู่กับเขาไปอยู่กับความเจ็บไปเราก็จะไม่ทรมานใจหรือของที่เราลากจะจากเราไปก็ปล่อยเขาจากไปอยากไปแล้วก็อย่าไปหามาใหม่หามาใหม่เดียวเขาก็จากไปอีกถ้าเขาจะไปก็ให้เขาไปอยู่กับอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่า <Yeah. S 2> ถ้าใช้ปัญญาเป็นต่อไปก็จะว่างจะสงบจะเฉยอยู่ตลอดเวลาจะสักแต่ว่ารู้กับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะร่างกายจะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็รู้เฉยๆไปอย่ไม่มีความอยากให้มันหายป่วยมันเจ็บไปอย่าไปเปลี่ยนมันแล้วเปลี่ยนมันไม่ได้ในที่สุดจะเปลี่ยนมันไม่ได้บางทีเปลี่ยนได้ เช่นเรานั่งเราเจ็บเราขยับเปลี่ยนระยาบทมันก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มาใหม่อถ้าเราปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปเองเราสบายกว่ามันมาก็ได้ไปก็ได้มันอยู่ก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเวลาเราอยากจะไปยุ่งกับมันก็ใช้พุทธโธหยุดความอยากเลียบางทีสอนด้วยเหตุผลแล้วมันยังดื้อ ก็ต้องใช้ใช้สติตบมันอีกทีนึงให้มันหายดื้อต้องใช้พุทโธพุทโธอยาปยามันอยากแล้วมันทุกข์แล้วก็มันก็ต้องอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเจ็บก็อยากอีกเดี๋ยวมันมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยู่กับมันได้เราสบายกว่าเราเปลี่ยนเราดีกว่าไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ เปลี่ยนความเจ็บเดี๋ยวมาความเจ็บหายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวมันไปเจอความเจ็บที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับไงที่ดับไม่ได้ทำไงแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนที่ใจเราต่อไปความเจ็บจะมามากมาน้อยมามาอยู่นานไม่นานเราก็อยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันใจเราก็จะว่าง ว่างจากความอยากไม่ใช่ว่างจากความเจ็บความเจ็บนี้เป็นของภายนอกใจเราอยู่กับมันไปของภายนอกใจนี่เราไปควบคุมไม่ได้แต่ความอยากนี่เราควบคุมได้เรามาควบคุมความอยากมาละความอยากมากำจัดความอยากด้วยการใช้อุเบกขาใช้สติใช้ปัญญาปัญญาสอนว่าความอยากนี้อย่าอย่าอย่าให้มันเกิด กิแล้วมันจะต้องเกิดมาเรื่อยๆถ้ามันเกิดแล้วเราอยากไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็เราหยุดมันนล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่กลับมาออนี่คือถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปความอยากจะไม่มีใจก็จะไม่วุ่นกับใครไม่ยุ่งกับใครอะไรโผล่มาก็เฉยๆไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับเขา ถ้าไม่ได้ฝึกนี่พออะไรโผลมาให้เรารับรู้นี่ต้องเกิดความอยากไม่อยากได้ก็อยากเสียเห็นอะไรชอบก็อยากได้เห็นอะไรไม่ชอบก็อยากจะโยนทิ้งไปอยากจะกำจัดมันอยากจะเสียเวลาของชอบอยากได้เวลาของไม่ชอบอยากเสียแต่บางทีไม่ยอมเสียมันไม่ยอมไป ความเจ็บมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันไม่ไปเองอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปความสุขโผล่ขึ้นมาอยากจะให้มันอยากจะได้มันเดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปก็ก็วุ่นวายใจเหตุน้นต้องหยุดความอยากตก่างบสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้กับใจให้ใจอยู่กับความว่างอยู่กับความเฉยให้ได้อย่าไปอยากกับอะไรทั้งสั้น ที่ให้เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มาให้เรารับรู้สึกแั้สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันก็สลับกันไปสลับกันมาก็เฉยๆไปกับมันรู้รับรู้เฉยๆ หรือว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดั บ, ดบขึ้นขึ้นลงๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันสบายกว่าแต่ทุกวันนี้เรายุ่งกับมันใช่ไหมที่เราทำทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อความสุขใช่ไหมแล้วพอความสุขหลุดพอความสุขหายไปเป็นยังไงเสียใจทุกข์ใจกันแล้วพอความทุกข์มาก็พยายามที่จะกำจัดมันกันหาวิธีกาจัดต่าง หน้าร้อนก็ไปซื้อแอร์มาติดหน้าหนาวก็ไปซื้อเนที่อาบน้ำอุ่นมาอาบเดี๋ยวพอไฟดับทีก็ใช้ไม่ได้แล้วเออยังปรับที่ใจดีกว่าอย่าไปปรับที่ข้างนอกปล่อยข้างนอกเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราปรับใจเราได้แล้วเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อยู่กับมันได้ ตอนนี้เราชอบไปปรับสิ่งทุกอย่างให้มันสุขถ้ามันทุกข์ก็พยายามที่จะปรับให้มันหายให้มันหายทุกข์พอปรับไม่ได้ทีนี้ก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่ทุกข์ในใจที่รุนแรงกว่าทุกข์ภายนอกทุกข์ภายนอกมันก็ไม่ร้ายกาเท่ากับทุกข์ภายในทุกข์ภายในนี้ทรมาน นี่คือวิธีที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างจะสงบจะว่างก็ต้องอยู่คนเดียวจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพรยุ่งเกี่ยวแล้วมันไม่สงบต้องไม่มีเรื่องมาให้เรายุ่งไม่มีอะไรมาให้เราเกี่ยวข้องด้วยจึงต้องบวชกันไง มีบวชก็มีบวชสองแบบบวชชั่วคราวกับบวชยาวใหม่ๆก็บวชชั่วคราวไปก่อนไปปีกวิเวกไปอยู่วันทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างอันนี้ก็เรียกว่า บ, บวชชั่วคราวเพราะยังไม่สามารถบวชยาวได้อาจจะมีเพราะกำลังไม่พอบวชไปได้สักพักเดี๋ยวก็ อยากจะกลับบ้านนะอยู่คนเดียวได้สักพักเดี๋ยวก็เริ่มคิดถึงเพื่อนนะเริ่มเริ่มคิดถึงการเริ่มคิดถึงอะไรหยุดความคิดไม่ไหวสู้ความคิดไม่ไหวสู้ความอยากไม่ไหวก็เลยต้องบวชชั่วคราวก่อนพอกลับมาเจอของที่อยากจะเจอสักพักก็เบื่อแนละโอ้ยหุ่นวายอยากจะกลับไปอยู่คนเดียวกลับไปบวชใหม่บวชชั่วคราวใหม่ ทำไปทำมาอย่างนี้ต่อไปถ้ามีกําลังมากพอที่จะหยุดความอยากหยุดความคิดได้ก็ไม่ต้องกลับมาหาใครแนละ้วบวชยาวไปเลยถ้าบวชยาวแล้วไปจะสุขหนอสุกหนอะปักก็สบายมีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เพราะใจไม่ได้อยากความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจ อยากให้ความสุขไปนานๆอยากให้ความทุกข์หายไปพออยากใจก็ไม่สุขแล้วใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอใจไม่มีความอยากปล่อยให้สุขก็สุขไปมันจะสุขสุขนานสุขไม่นานก็ปล่อยมันสุขไปมันจะทุกข์นานไม่นานก็ปล่อยมันทุกข์ไปอันนี้หมายถึงทุกข์ข้างนอกใจไม่ใช่ทุกข์ในใจสุขในใจคนละอย่างกันมีสองสุขสุขใจทุกข์ใจนี่อย่างหนึ่ง สุขภายนอกใจก็สุขที่มาทางร่างกายมาทางตาหูจะบกูกเล่นกายอันนี้เป็นสุขนอกทุกนอกสุขนอกทุกนอกนี้มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ร้ายกาดเหมือนก็ทุกในสุขในสุขในนี้ก็วิเศษทุกในก็ทรมานมากใจจะสุขในได้ก็ต้องปล่อยความ สุขความทุกข์ข้างนอกอย่าไปยุ่งกับเขาข้างนอกจะสุขก็รู้ว่าสุขจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปทําอะไรนทําใจให้เฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะใจไม่เฉยใจอยากจะไปแก้สิ่งต่างๆพอไปอยากแก้มันก็เลยทุกข์ขึ้นมานี้พอแก้ไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ นี่คือปัญญาต้องรู้ว่าความอยากที่จะไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเนี่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทําตามความอยากถ้ามันดื้อก็ใช้พุทธโธหยุดมันอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากแล้วใจก็ทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาพอไม่สบายใจก็ต้องรู้แล้วว่าเรากําลังอยาก ดังนั้นเราอย่าไปไม่สบายใจดีกว่าด้วยการหยุดความอยากด้วยการใช้พุทโธพุทโธให้มันหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากพอเราหยุดคิดถึงเรื่องที่เราอยากความอยากก็หายไปแล้วพอความอยากหายไปใจก็หายทุกใจก็เบาสบายสุขหนอกลับมาสุขหนอเหมือนเดิมนี่คือวิธีทําให้ใจมีความสุข วิธีแรกก็คือสติพุโทโธพุธโทโธกดความอยากไว้แต่เราไม่รู้ว่าแต่สติไม่เป็นตัวที่ไปทำให้ความอยากหายไปพอสติมีกำลังน้อยกว่าความอยากความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความอยากหายไปก็ต้องรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวาย ถ้าไม่อยากวุ่นวายก็อย่าไปทําตามความอยากอันนี้เรียกว่าปัญญาแล้วต่อไปถ้าพอรู้แล้วว่าความอยากเป็นตัวทําให้เราวุ่นวายเวลาใจแล้ววุ่นวายเราก็มาหยุดที่ความอยากเช่นเราวุ่นวายกับลูกเนี้ยเราพยายามไปเปลี่ยนลูกไปบังคับลูกไปอะไรกับลูกยังไงมันก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบังคับได้สามวันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอ เราต้องมาเปลี่ยนที่ใจเราเราอย่าเราอย่าไปเปลี่ยนเขาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเป็นกัอย่างนี้ก็อย่าไปเปลี่ยนเขามาเปลี่ยนเราดีกว่าเปลี่ยนเราอย่าไปยุ่งกับเขาก็ดูแลเขาไปตามตามธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วคนที่จะไปรับ ผลก็ตัวเขาเองนั่นแหละในเมื่อเขาดือ้อเขาไม่ยอมฟังเราเราจะไปทํำยังไงได้เราทําดีที่สุดแล้วเราทําด้วยเหตุผลอย่าไปทําด้วยความอยากถ้าทําด้วยความอยากมันไม่ยอมแพ้มันต้องเอาให้ได้แต่ทําถ้าทําทด้วยเหตุผลมันพอรู้ว่าทําไม่ได้มันก็หยุดยอมยอมต้องต้องปล่อยให้เขารับผลของเขาไปเดี๋ยวเขาก็ รู้ตัวเขาเองอเราไปทําอะไรไม่ได้ทําได้เท่าที่จะทําได้พอทําไม่ได้ก็ต้องหยุดนแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอแต่ถ้าเราพยายามที่จะไปทําให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากนี่ทําไปเถิดถ้าทําได้ก็ดีใจเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนไปก็เสียใจ อ, อีกไม่มีวันจบ มันต้องมาจบที่ตัวเราจบที่ความอยากของเราเราอยากไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาเป็นไปถ้าเรามีหน้นาที่ที่จะทำอะไรกับเขาได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องหยุดทำอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนความจริงต้องมาฝึกสมาธิมากๆฝึกสติมากๆแล้วจะจะหยุดความอยากได้ จะปล่อยวางได้ตอนนี้มันสู้ความอยากไม่ได้พอเห็นอะไรก็อยากอยากปุ๊บต้องไปยุ่งเขาทันทีเราไม่ใช่ยุ่งเรื่องเดียวยุ่งยุ่งกับทุกเรื่องเจอเรื่มไหนก็ต้องยุ่งกับทุกเรื่องแล้วก็มาเสียใจที่หลังร้องห่มร้องไห้ที่หลังพอไปยุ่งกับเขาไม่ได้พอถูกเขาสอกกลับนี่ก็เลยร้องห่มร้องไห้ เวลาไปทำไปไปไปทำตามใจอยากได้ก็ดีใจหลงละเริงคิดว่าเก่งเก่งก็คิดว่าจะไปทาตามความอยากเรื่อยๆเดี๋ยวพอไปเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้วทำไม่ได้ก็ก็เสียใจสู้อยู่เฉยๆดีกว่าเรามีหน้าที่ดูแลตัวเราก็ดูแลไปใจเราเนี่ยเราดูแลได้เต็มร้อย ร่างกายเราดูแลได้เท่าที่มันจะให้เราดูแลถึงวันหนึ่งมันจะไม่ให้เราดูแลก็ต้องปล่อยมันร่างกายเราเลี้ยงดูมันไปตามกําลังของเราถึงวันไหนที่เราไม่มีกําลังที่จะเลี้ยงดูมันก็ต้องปล่อยมันเอแต่ใจนี่เราดูแลได้เต็มที่เต็มตลอดเวลาดูแลใจด้วยสติดูแลใจด้วยปัญญา ฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิให้บ่อยๆให้จิตให้นิ่งให้สงบนานๆแล้วจะมีกำลังมาใช้ปัญญาหยุดความอยากถ้าไ ม, มไม่มีสติมันจะไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญามาใช้หยุดความอยากปัญญาเพียงจะบอกสาเหตุว่าทำไมเราไม่ควรทาตามความอยากเพราะทำตามความอยากแล้วมันจะทุกข์ไม่ช้าก็เร็ว มันจะต้องไปเจอสิ่งที่เราทำไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วก็จะทุกข์แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเราเย็ยนใจเราสบายใจเราไม่ทุกข์กับอะไรต้องหยุดความอยากของเราหยุดด้วยสติก็หยุดได้ชั่วคราว ถ้าหยุดด้วยปัญญาก็จะหยุดได้ถาวรถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นเป็นอันตรายต่อจิตใจเราเราก็ไม่อยากจะไปะยุ่งทุกครั้งที่ไปยุ่งแล้วทำให้ใจเราทุกข์นี้เราก็อยากไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปปัญญาจะให้เราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์แต่เราไม่คิดอย่างนั้นกัน เราคิดว่า <izes> มันสุขกันคิดว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขมีอะไรแล้วจะมีความสุขเราไม่คิดตอนที่มันเปลี่ยนไปตอนที่มันจากเราไปความสุขมันกลายเป็นอะไรไปเวลาเงินจากเราไปเวลาแฟนจากเราไปเวลาลูกจากเราไปเวลาอะไรมันจากเราไปมันสุขหม อันน้นะมันไม่ไม่เห็นตอนนั้นมันเห็นตอนที่ได้มันไม่เห็นตอนที่เสียเราไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี่เดี๋ยวเราต้องเสียมันหมดนมีอะไรที่เราไม่เสียบ้างเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ต้องเสียพอเสียร่างกายก็เสียทุกอย่างพอคุณตายแล้วนี่เขายัางเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของต่างๆอยู่เปล่ามีที่ดินน้อยล้านพันล้านเนี่ย จะยังไปไปครอบครองได้หรือเปล่าพอตายแล้วตายแล้วก็กลายเป็นของคนอื่นไปฉะนั้นต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าได้อะไรมาจะต้องเสียมันไปถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปได้มันดีกว่าหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรดีกว่าจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิเนี่แหละ ถึงเรามาฝึกสติกันฝึกสมาธิกันพอมีสติมีสมาธิจิตก็จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้พอไม่มีอะไรได้ก็พอมีความอยากก็ใช้ปัญญาสอนว่าอ่ะอย่าไปอยากนะอย่าก็ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเสียไปแล้วก็ต้องเสียใจหรือต้องหาใหม่แล้วถ้าหาใหม่ไม่ได้ก็ก็ทุก็อย่าไปอยากดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่า ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากได้อะไรก็จะหมดไปพอหมดแล้วทีนี้ก็อยู่อย่างไม่มีอะไรมารบกวนใจตัวที่รบกวนใจเราก็คือความอยากของเรานี่เองเออเข้ามาข้างในหน่อยก็ได้เลียก็ามาขยับขึ้นมามได้เข้ามาข้างหน้าเพรานั้นต้องไปฝึกสติมากๆ<ม>หาเวลาไปฝึกสติกันบ้างออ ไปบวชชั่วคราวกันก่อน mm hmm. อย่ามัวเอาแต่เวลาไปทําตามความอยาก ต, าตา่างๆตอนนี้เรายังสามารถทําตามความอยากได้เราเลยไม่เห็นว่ามันทุกข์กัน mm hmm. อยากได้อะไรก็ยังหาได้อยากเที่ยวก็ยังเที่ยวได้อยากดูอยากฟังอะไรก็ยังดูได้ฟังได้ mm hmm. เดี๋ยวมันต้องไปเจอตอนที่มันมันทําไม่ได้มีคนหนึ่ง mm hmm. ผู้ชายคนหนึ่ง ไม่เคยชอบใส่บาตรเลยไม่ชอบทําบุญเลยไม่เชื่อบุญในช่วงนี้มาใส่บาตรทุกวันถามว่าทํำไมถึงมาใส่บาตรไปเห็นเพื่อนตายว่ะเพื่อนตายทีนี้เริ่มกลัวเลยก ล, ลัวความตายขึ้นมาแล้วเริ่มหวงคิดถึงบุญนะอเริ่มเชื่อบุญแล้วว่าบุญนี่เป็นที่พึ่งได้เริ่มอยากจะเข้ามาหา หาศาสนาหาความจริงนะเพราะเวลาตายนี่มันหมดเลยทุกอย่างหาเลยมาได้หมดไปไม่มีอะไรไปแต่ถ้าบุญมียังมีอะไรติดตัวไปได้ mm hmm. ก็เลยอยู่ดีๆก็มาใส่บาทเมื่อก่อนนี้ปล่อยให้ลูกมีอาศัยไม่เคยมาใส่ด้วยช่วงนี้มาใส่ทุกวัน <c oughs> คนเราบางทีต้องไปสะดุดกับ เหตุการณ์ที่จะทําให้เราคิดว่าโอ้ชีวิตเรานี่มันเดี๋ยวมันก็ต้องมีการพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนะเวลาตายวันนี้ไม่มีเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาไปได้ก็บุญคือความสุขความสงบใจในระดับต่างๆทําบุญก็ทําให้ใจสงบมีความสุขในระดับระดับของบุญทารักษาศีลก็ทําให้ใจสงบในระดับของศีล มานั่งสมาธิก็ทำให้ใจสงบในระดับของสมาธิมาใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ก็จะได้ความสงบระดับของปัญญาความสงบมีหลายระดับต่างกันมันเป็นเหมือนขั้นบันไดต้องทำจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงเพราะมีความยากง่ายต่างกันทำบุญทำทานมันง่ายกว่าการรักษาศีล รักษาสีมันง่ายกว่าการฝึกสตินั่งสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิมันง่ายกว่าใช้ปัญญาศึกษาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยวจะต้องมีวันพักคาจากกันจะได้ลดละความอยากตัดความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาเพราะต่อไปเวลาตายไปนี่ต้องต้องเสียทุกอย่างไปหมด ้ามาหากินถ้าเป็นถ้าตายได้มาเยอะแยะไปหมดพอไม่หายใจปุ๊บท่นั้นหายไปหมดเลยของที่หามาถ้าเป็นถ้าตายถ้าไม่มีความสงบไปก็ไปแบบทุกข์ทรมานใจถ้ามีความสงบรู้จักรักษาใจให้สงบได้ในระดับต่างๆก็ไปตามระดับนั้นถ้าทำบุญทำทานใจก็จะสงบในระดับหนึ่ง คนทำบุญทำทานนี่จะไม่ค่อยเสียดายของที่เสียไปเพราะเสียเสียอยู่ทุกวันอยู่แล้วคนทำบุญนี่เขาหัดเสียของเสียเงินเขาเอาเงินมาใส่มาทำบุญเนี่ยเขาเป็นการฝึกเสียสละเงินทองพอถึงเวลาเขาตายไปเขาต้องเสียทั้งหมดเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเขาจะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่เคยทำบุญ คนนี่ไม่ทําบุญทําทานนี่เงินหายสักสิบบาทก็ โ, โหเสียอกเสียใจจะตายให้ได้แต่คนที่ทําบุญเป็นประจาําพอเงินหายไปแทนที่จะเสียใจก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปเวลาทําบุญก็เสียเงินเหมือนกันเวลาเงินหายมันก็เหมือนกับทําบุญเหมือนกันก็ไม่เสียอกเสียใจเลยเงินมันของนอกกายเดี๋ยวหาใหม่ได้ถ้าเราหาได้เราจะไปกลัวอะไรหาได้เมื่อเมื่อมันหมดก็หาใหม่ ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญดังนั้นเราต้องฝึกทําหาความสงบหาความสุขในระดับต่างๆของใจไปก่อนทําบุญทําทานก็ระดับแรกรักษาศีลก็ระดับที่สองนั่งสมาธิได้ก็ระดับที่สามใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ก็เป็นระดับที่สี่ นี่ก็ต้องไ ต, ต่เต้าขึ้นไปอย่าไปทําขั้นที่สี่เมื่อยังทาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไม่ได้พอทําไปก็ล้มเหลวจะไม่เกิดผลบางคนคิดว่าโอ้ยปัญญาดีเอาปัญญาเลยดีกว่าไปเรียนพระไตรปิฎกไปเรียนพระอพิธรรมอันนั้นยังไม่ได้เป็นปัญญาแท้เป็นเพียงแต่แผนที่เป็นแต่ชื่อของปัญญาชื่อชื่อของธรรมต่าง แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้เพราะไต่ปีดกไม่ต้องรู้ชื่อทั้งหมดให้รู้ตัวเดียวท่านเนี่ย <icism S 1> ให้รู้ว่าไอ้ Leah. ตัวความอยากนี้มันเป็นอย่างไรท่นเองเวลามันอยากแล้วให้เห็นว่ามันมันแผงเวลามันแผงนิดแล้วมันทําให้ใจเราเป็นอย่างไร <S <S ท่านั้นแหละเรารู้จักแต่ชื่อมันแต่เวลามันแผงนิดทําให้เราซึมเศร้าทําให้เราเหงาทําให้เราว้าเวทําให้เราเครียดนี่เราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวตัวความอยากอย่นั้นะ มองไม่เห็นมองไม่เป็นเพราะเราไม่ได้มองข้างในไปมองของที่เราอยากเราใจก็เครียดไปกับมันแล้วก็ไปคิดว่าของนั้นทําให้เราเครียดมันจริงไม่ใช่ของที่ทําให้เราเครียดแล้วใจที่เราไปอยากมันทําให้เราเครียดถ้าเราไม่ไปอยากมันเห็นมันก็เฉยเฉยเห็นกระเป๋าเนี่ยในร้านเนี่ยถ้าเราไม่อยากได้ไม่เห็นก็เลยเท่นั้นเองก็มันก็แค่กระเป๋าแต่คนที่เห็นแล้วอยากได้นี่มือไม้สั่นหมดนะ ต้องกลับไปหามันอยู่เรื่อยคิดถึงมันอยู่เรื่อยจงกว่าจะได้มันมาถึงจะหายสั่นถึงจะสงบแต่สงบเดียวเดียวเดี๋ยวก็ไปเห็นใบใหม่ขึ้นมาก็อยากขึ้นมาใหม่ถ้าอยากให้มันหายสั่นตลอดเวลาก็คืออยากไปอยากมันอยากได้ก็อยากไปอยากมันไม่เอาทัอย่างต่อไปเห็นมันก็ไม่สั่นเห็นมันก็เฉย ถ้าจะต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เราไปอ่านในในคัมภีร์พระอภิธรรมกี่คัมภีร์อ่านไปก็เท่านั้นมีแต่ชื่อพอเวลาตัวอยากโผล่ขึ้นมามองไม่เห็นมันไม่รู้จักมันเวลาตัวโกรธโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้จักมันไม่เห็นมันบ่อยให้มันพาเราไปด่าเขาไปว่าเขาไปทุบตีเขาไปทำร้ายเขาอันนี้มัน ปัญญาปัญญาคนละอาย่างกันปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่เป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาแ ผ, แผนที่อที่เราจะต้องเอาแผนที่นี้มาพาเราไปหาตัวจริงอีกที่หนึง่งให้ียฟังให้รู้ว่าปว่าความอยากเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ลืมไปมองไม่เห็นเห็นอะไรอยากได้นี่ลืมไปเลยอ อยากไปเที่ยวลืมไปเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละที่เราต้องหยุดมันแทนที่จะหยุดมันกลับไปรับใช้มันตอบสนองมันนี่คือเรื่องของปัญญาที่ยากจะมองเห็นมันเห็นความอยากนี่มันจะต้องผ่านขั้นของสมาธิไปก่อนต้องให้จิตสงบก่อนแล้วถึงจะเห็นตัวอยากเหมือนปลาในน้ำเนี่ย ถ้าจะให้เห็นตัวปลานี่ต้องทําน้ําให้มันใสก่อนให้น้ํามันตกตะกอนก่อนพอน้ําตกตะกอนแล้วน้ําใสนี่ไม่ขุน่นไม่มันมวนี่จะเห็นตัวปลาความอยากกิเลสตัณหาอยู่ในใจเราตอนนี้เรามองไม่เห็นมันหรอกเวลามันโผล่ขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสตัณหาหรอแต่ถ้าเราทําใจให้สงบแล้วใจเราจะใสเวลากิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมานี่จะเห็นนะ จะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้ตัวตัวปัญหาพออยากได้อะไรปั๊บรู้เลยอ๋อนี่ตัวนี้ตัวปัญหาแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีสมาธิไม่รู้แบบพออยากได้อะไรก็คิดว่าอ่อเป็นความจำเป็นเป็นความสุขึ้นพอถ้าไม่อยากแล้วมันจะจะสุขได้ยังไงใช่ไหถ้าไม่อยากเที่ยวมันก็มันก็ไม่ได้ไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวมันก็ไม่ได้สุขเลยมันกลับไปมองในแง่นั้น มันไม่ได้มองในแงๆกลับว่าที่ต้องไปเที่ยวเพราะมันถูกความอยากกดดันให้ไปเพราะถ้าไม่ไปแล้วมันทุกข์ใช่ไหมมันไม่มันไม่มองกลับมุมกันมันมันไปมองอีกมุมหนึ่งไปมองว่าอ่าที่มีความสุขเพราะมีความอยากไปเที่ยวถ้าไม่ได้อยากไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขเพราะจะไม่ได้ไปเที่ยวแต่มันนั่นมันมองมองมองผิดมุมมองไม่ใช่เป็นความจริงความจริงที่ต้องไปที่ต้องไปเที่ยวเพราะมันอยากเที่ยว เพราะว่าพเวลามันอยากเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวมันทรมานใจมันอยู่บ้านไม่ได้มันเหงามันว้าเว e มันซึมเศร้ามันถึงต้องไปเที่ยวพอไปเที่ยวมันก็หายซึมเศร้าก็เลยคิดว่าได้มีความสุขแต่ความจริงถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวเราอยู่บ้านเราจะไม่เหงาไม่ว้าเว e ไม่ไม่ซึมเศร้ามองไม่เป็นต้องมีความสงบก่อนถึงจะมองเห็นตัวกิเลสตัณหา ว่าเป็นตัวก่อควนสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราดัางนั้นการที่จะไปสู่ขั้นปัญญาได้มันต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนและการจะไปขั้นสมาธิได้ก็ต้องผ่านขั้นศีลก่อนอาจจะไปขั้นศีลได้ก็ต้องผ่านขั้นทําบุญทําทานก่อนถ้าทําบุญทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า คนที่ไม่ทำบุญนี่โลภอยากได้เงินหัวเงินแล้วเวลาหาเงินก็อยากจะหาแบบง่ายๆมากๆเร็วๆวิธีหาแบบง่ายๆมากๆเร็วๆก็คือวิธีโกงช่อโกงกันหลอกลวงกันมันก็จะรักษาศีลไม่ได้ถ้าทำบุญไม่ได้มันจะรักษาศินไม่ได้แต่คนที่ทำบุญได้นี่จะรักษาศินได้เพราะเขาทำบุญแล้วก็ไม่เสียดายเงินเขาไม่ได้โลภมาก เขามีพอกินพอใช้พอเหลือกินเขาก็เอาไปทำบุญในเวลาเขาหาเงินเขาไม่ต้องหาแบบวิธีแบบง่ายๆเร็วๆมากๆเขาหาหาหาแบบวิธีที่ทำให้เขาสบายใจดีกว่าหาวิธีโดยที่ไม่ทำบาปไม่ชอบโกงไม่หลอกลวงเขาก็จะรักษาสินได้แล้วคนที่ชอบทำบุญจะไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนเก็จะไม่โกงเขาไม่หลอกลวงกัน มันเป็นขั้นของการฝึกหัดจิตใจที่จะทำให้จิตเรามีความสงบไปตามลำดับทำบุญแล้วใจก็จะสงบจากความโลภจะโลภน้อยลงทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าก็เอาเงินเอาเงินซื้อกระเป๋านี้ไปทาบุญต่อไปความอยากจะซื้อกระเป๋ามันก็ไม่มีเพราะเราตัดมันไงเราตัดความอยากซื้อกระเป๋าไปทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทาบุญ ต่อไปความอยากเที่ยวมันก็หมดไปก็ทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆอย่างมีความสงบมีความสุขได้ น, นี่คือความสงบความสุขนในระดับการทำบุญมันทำให้เราตัดการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆถ้าเอาไปใช้ตามความอยากเดี๋ยวมันก็ต้องอยากอยูอย่เรื่อยพอไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่ง น, นี้ก็อยากจะเที่ยวใหม่พอซื้อกระเป๋าใบ น, นี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อกระเป๋าใบที่สอง มันจะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพอไม่ได้ซื้อก็หงุดหงิดลำคาญใจทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อแต่ถ้าเงินที่จะไปซื้อนี่ไปทําบุญมันก็จะระดับความหงุดหงิดได้เพราะเวลาทําบุญเราจะมีความสุขใจที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นทําให้คนอื่นเขาได้รับความสุขจากการกระทําของเราเราก็เลยจะมีความสุขใจอิ่มใจทําให้เราเออ เรื่องใจไปเที่ยวเรื่องเลือกอยากไปซื้ออะไรก็ไม่มาทรมานใจเราอแต่ถ้ายังมีเงินเก็บไว้อยู่แล้วยังอยากอยู่มันก็จะยังทรมานใจอยู่แต่ถ้าเงินที่จะไปซื้อตามความอยากนี้ไปทําบุญปั๊บความทรมานใจมันจะหมดไปเพราะหนึ่งเงินหมดเงินที่จะไปซื้อก็ไม่มีจะซื้อแล้วเงินที่จะเที่ยวก็ไม่เที่ยวพอไม่มีเงินความอยากมันก็ต้องยอมจํานวนไปชั่วคราวก่อะ ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็เอาไปทาบุญเลยถ้าเราอะาใช้เงินซื้อซื้อความสุขทางด้วยการทำตามความอยากก็อย่าไปทำเอาไปทำบุญทำบุญก็ทำได้หลายแบบหลายวิธีไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดอย่างเดียวทำบุญกับใครก็ได้กับพ่อกับแม่ก่อนก็ได้กับพี่กับน้องกับใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราได้ช่วยเหลือเขาแล้วเราจะมีความสุขใจ เลือกทํากับคนที่เราชอบทํากับสิ่งที่เราชอบทําแล้วเรามีความสุขใจทําแบบนั้นไปบางคนชอบปล่อยนอกปล่อยปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาบางคนชอบถวายสังฆทานก็ไปถวายสังฆทานบางคนชอบแจกทุนการศึกษาให้เด็กก็แจกทุนไปบางคนชอบคนช่วยคนยากจนก็ไปช่วยคนยากจนไปบางคนชอบช่วยสัตว์ก็ไปช่วยช่วยสุนัขจรจัด ช่วยแมวช่วยอะไรได้ทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นแล้วมันจะทำให้เราหยุดความอยากที่จะไปใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเอาเงินไปเที่ยวเพราะแบบนั้นมันจะมันจะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดแต่ถ้าเอาเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นพอเราไม่มีเงินช่วยเหลือผู้อื่นเราก็หยุดหยุดแล้วเราก็ไม่รู้จักไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ทำด้วยความอยากเราทำด้วยเหตุผล พอเราเห็นว่าการทำของเราจะทำให้ผู้อื่นก็มีความสุขเราไม่ได้ทำให้กับตัวเราเราไม่ได้ทำด้วยความอยากพอเราทำไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เดือดร้อนดันั้ต้องทาบุญทำทานก่อนแล้วเราจะมีเมตตาต่อผู้อื่นการมีเมตตาจะทำให้เราไม่ชอบทำบาป ก, กันพอเราไม่ทำบาปใจเราก็จะจะชอบอยู่กับ ความความสงบว่าเวลาไม่ทำบาปใจมีความสุขใจเย็นใจสบายก็อยากจะมีความสุขมากขึ้นก็รักษาศีลเพิ่มจากศีลห้าก็เพิ่มเป็นศีล mm hmm. แปดเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลแปดจะไปนั่งสมาธิไม่ได้จะไม่มีเวลาก็ต้องมาหันถือศีลแปดกันหยุดทากิจกรรมตามความอยากต่างๆที่ยัง ที่ยังไม่ต้องใช้ที่เรายังกําจัดไม่ได้ความอยากที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ยังมีอยู่อยากนอนกับแฟนอยากกินอาหารมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดมันเหมือนกันอยากไปดูหนังฟังเพลงก็ต้องหยุดเหมือนเพื่อเราจะได้มีเวลามาฝึกสติทําใจให้สงบนั่นเองพอมีเวลามาฝึกสติทําใจให้สงบใจก็จะว่างจะสุขขึ้นมาชั่วขณะที่สงบ แต่พอปีเลดมันโผล่ขึ้นมาสู้มันไม่ไหวใจก็จะวุ่นขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้หายวุ่นก็ต้องใช้ปัญญาอย่าไปทาตามความอยากต้องสู้กับมันต้องฝืนมันต้องใช้สติต้องถ้าสติไม่พอก็ต้องเพิ่มมันขึ้นไปต้องบริกรรมเพิ่มขึ้นไปถ้ามันอยากแล้วมันไม่ยอมหยุดก็ต้องพุทโธพุทโธไปจนกว่าความอยากจะหยุด พอหยุดละเท่านี้ต่อไปความอยากก็จะไม่มาลบควใจอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมาชวนให้เราไปเที่ยวไม่มีชวนให้เราไปยุ่งกับคนนั่นคนนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ปล่อยเขาไม่ได้หมดทุกอย่างใครเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาเ็าจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ถอยไม่ใช่ไม่ช่วยแต่ช่วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยขอบเขต ถ้าช่วยเหลือได้ก็ยินดีถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ช่วยปล่อยวางไปใจไม่เดือดร้อนที่ช่วยเขาไม่ได้เพราะไม่ได้ช่วยด้วยความอยากช่วยช่วยเพราะด้วยเหตุผลว่าควรจะช่วยแะเทอแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วต่อไปก็จะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสุขเนาะสุขเนาะไปตลอดเวลางั้นก็ลองเอาไปทำกันดูนะ ฟังแล้วถ้าไม่ไปทำก็ไม่ได้ผลฟังแล้วต้องเอาไปทำฟังนี้เป็นเมือนการศึกษาวิธีทำกับข้าวอยากจะทำกับข้าวเป็นก็ต้องไปหัดทำาต่อไปก็ทำได้ต่อไปก็จะมีอาหารอนอชาให้กินทุกมือ้ออารณนะก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตโตชินนางเปตานังอุปกาปติอิตชิตังปัติตังตมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ อระโสยะาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรมาวทาติอายุวันโอสุขัง ฮาลันฮัอ่าช่วงนี้ถามตอบปัญหาถามมาต่อไปใครอยากจะถามอะไรก็ยกขึ้นมายกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ถามได้มีอะไรตอนนี้ถามได้ชอบมาถามตอนที่ไม่ให้ถามนะตอนที่เลิกประชุมชอบมาถามนะั้ะ ถามตอนนี้จะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นเขาได้ได้ยินได้ฟังด้วยเพราะทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่เรายัางไม่เกิดเท่านั้นเองบางคนเกิดก่อนเกิดหลังเห็นถ้าเราได้ฟังคำปัญหาของคนอื่นล่วงหน้าไว้ก่อนเราจะเตรียมตัวรับกับปัญหาได้เวลามันเกิดขึ้นมาเราจะได้ไม่เสียหลักลองเอาคำ เ, เอาทางบ้านก่อนก็ได้ คำถามจากคุณนาราทิพย์ครับผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับไปไม่สามารถยึดอะไรได้เลยในทางโลกผมจึงอยากตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่ผมก็มีห่วงคือคุณพ่อคุณแม่ภรรยาและทุกๆคน<ม>จำเป็นต้องพึ่งผมจะหนีไปบวชก็คงยังไม่ได้ขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าผมจะทำเช่นไรดีครับก็ทำเท่าที่เราทำได้จะทำยังไงได้เราเมีเวลาว่างก็แทนที่จะเอาไปใช้หาความสุขแบบเดิมก็ไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมแทนนั่นเองแทนที่วันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวเราก็ไปวัดไปวัดไปปฏิบัติธรรมต่อไปเราก็จะปฏิบัติได้มากขึ้นไปเรื่อย ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรมไม่ใช่อยู่ๆปับ๊บเราจะทําแบบเต็มที่ได้เหมือน จ, จะวิ่งมาราธอนนี่ไม่ใช่พออยากจะวิ่งพอไปลองวิ่งวันแรกจะให้วิ่งครบทั้งยี่สิกว่ากิโลมันวิ่งไม่ได้หรอกแล้วสี่สิบกิโลยี่สิบกว่ากิโละฮะมาราธอนมันก็ต้องค่อยหัดวิ่งไปตอนนี้อาจจะวิ่งเริ่มต้นที่ครึ่งกิโลก่อนสองแล้วค่อยเพิ่มเกิโลสองกิโล การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันก็เริ่มฝึกสติไปก่อนสตินี้เราฝึกได้ในทุกสถานสถานการณ์อยู่ที่ไหนทําอะไรเราฝึกสติได้คอยควบคุมใจให้เราอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปอดีตไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือถ้ามันชอบคิดมากก็ให้ใช้พุทโธหยุดมันไปพุทโธพุทโธพุทโธไป อันนี้เราฝึกได้ในชีวิตประจําวันของเราส่วนนั่งสมาธินี้มันต้องมีเวลาแล้วต้องมีที่ที่สงบไม่มีใครมารบกวนถ้าอยู่ที่ทำงานก็ถ้ามีห้องทำงานก็เวลาว่างช่วงพักเที่ยงอะไรอย่างนี้ก็กินข้าวเสร็จวเวลาก็นั่งสมาธิไปที่จะไปเปิดดูหนังสือพิมพ์ไปเปิดดูไลนดูอะไรไปก็มาทำใจให้สงบไป เราต้องพยายามหาเวลามหมาให้กับการปฏิบัติในขณะที่เรายังต้องมีภารกิจความรับผิดชอบอะไรต่างๆเราก็ต้องทำไปคำถามนะครับถ้าตอนที่เราตั้งจิตทำสมาธิแล้วกลิ่นควันรถเหม็นมากแล้วเราใช้ลมเป็นฐานจะทำยังไงดีครับก็เปลี่ยนใช้พุโทโธแทน หรเปลี่ยนที่นั่งถ้ามันมีอะไรมารบกวนก็ต้องหาที่ที่ไม่มีอะไรรบกวนนอกจากว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็ก็ต้องทนกับมันไปอย่าไปสนใจกับมันเปลี่ยนจากการถ้าดูลมไม่ได้มันรบกวนใจก็จใช้พุทโธพุทโธไปคําถามจากคุณสุดาวันกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ คนเขาให้ของมาแล้วเรานำไปใส่บาตรแล้วเราจะได้บุญใหม่เจ้าคะ่ะถ้าเป็นของเราแล้วก็ได้บุญถ้าเขามาฝากไว้แล้วเราไปใส่บาตรนี้ไม่ได้บุญเพราะามันไม่ได้เป็นของเราของเขามาฝากไว้แล้วเราถือวิสาสะเอาไปใส่บาตรนี้เป็นการเหมือนเอารักทรัพย์ของผู้อื่นไปทำบุญบุญได้อยู่แต่มันจะได้บาปด้วยได้บาปจากการที่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่น ได้ไม่คุ้มเสียเพราะโทษของบาปมันหนักกว่าผลของบุญฉะนั้นถ้าถ้าเป็นของเราแล้วเช่นพ่อพ่อแม่ให้เงินลูกไปเป็นค่าค่าขนมไปโรงเรียนแต่ลูกประหยัดไม่ใช้แล้วเวลามาวัดก็ขอร่วมทําบุญกับพ่อกับแม่ด้วยด้วยเงินค่าขนมของเขาเนี่ยเขาได้บุญเพราะเป็นเงินของเขาแต่ถ้าพ่อแม่หยิบกันให้เขาเวลามาวัดแล้วบอกอ่ะหนูว่าเอาไปทําบุญนี้ อันนี้เขาไม่ได้บุญเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากใจของเขาเวลาไม่ได้เป็นเงินของเขาเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาได้เสียสละอะไรไปแต่ถ้าเป็นของของเขาแล้วเขามีความอยากที่จะเสียสละอยากจะช่วยผู้ออยากจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเขาจะได้บุญคำถามจากคุณนัทการนุชกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง โปรดอธิบายว่าการที่เราร่วมเงินทาบุญกองทุนถวายพัฒนหารกับทางวัดและการใส่บาตรพระทุกเช้านั้นกรณีที่มีความสะดวกในการใส่บาตรมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรกราบขอบพระคุณเจ้าข้าผู้ให้ไม่มีต่างกันหรอกว่าจะให้แบบไหนต่างกันตรงที่ผู้รับผู้รับจะได้ประโยชน์ต่างกันถ้าไปทาบุญใส่บาตรให้กับพระพระก็จะได้มีข้าวกิน ถ้าไปเลี้ยงหมาสุนัขก็สุนัข ก, ก, ก, ก็จะได้ข้าวจ่าเงินก้อนเดียวกันนี้ผู้ให้จะได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจอิ่มใจได้ได้เอาเงินเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญเวลาตายไปก็สามารถเอาเอาบุญติดตัวไปใช้ในโลกทิพย์ได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานไปเป็นเทวดาแทนถ้าไปเป็นขอทานก็ไปเป็นเปรตถ้าไป ถ้ามีบุญติดตัวไปก็ไปเป็นเทวดาแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญมันก็จะมาต้อนรับเรามาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองอันนี้ไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนจะเลี้ยงจ ะ, จะเอาเงินไปถ่ายโคถ่ายถ่ายชีวิตโควัวก็ตามหรือว่าปล่อยนกปล่อยปลา หรือเอาไปใส่บาตรหรือไปซื้อผ้าไตอันนี้ก็สาหรับผู้ให้นี้เหมือนกันหมดได้ได้ประโยชน์อย่างเดียวกันได้ผลอย่างเดียวกันคือบุญคือความสุขใจแต่ผู้รับนี้เขาก็ได้รับประโยชน์ต่างกันไปดังน้นเวลาเราให้บางทีเราก็ต้องดูว่าควรจะให้ใครให้คนที่เขาไม่เดือดร้อนก็อย่ามันไม่เกิดประโยชน์หรือว่า เพื่อให้คนที่เขาเดือดร้อนคนหนึ่งเขาเดื อ, ร อ, อดอร้อนอะไรเช่นบางทีพระมีพระตายแล้วแต่ไม่มียาอย่างนี้ไปให้แต่พระตายพระตายไม่มียารักษาโรคนี้มันก็บางทีก็ต้องถามกันได้ของอย่างนี้เราถามพระได้แต่พระบอกเราไม่ได้แต่บางทีเราถามได้ว่าอท่านขาดแคลนอะไรหรือเปล่าท่านต้องการอะไรหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นพระที่ท่านสถามถะบางทีท่านก็บอกว่ า, าทําบุญตักบาตรไม่ต้องถามพระ อ, อย่างนี้นก็ไม่ต้องถามถ้าเราไม่รู้เราก็เราก็ทำไปคี่ว่าที่เราเห็นว่าเป็นของจาเป็นหรือเราไปทำที่ที่เราเห็นชัดชัว่าเขาขาดแขนอันนี้บุญที่เราได้รับจากการที่เราเสียสละนี้ไม่ว่าทากับใครได้เหมือนกันหมดแต่ ประโยชน์ที่เราจะให้กับผู้อื่นก็อยู่ที่ของที่เราให้ว่าเป็นอะไรเป็นอาหารมันก็เป็นประโยชน์ทางร่างกายถ้าเป็นข้าวของก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะได้ใช้จ่ายทําอะไรได้สะดวกขึ<อ>้นอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ที่เราอาจจะต้องดูว่าวัดนี้ขาดอะไรขาดแทงน้ําหรือเปล่าเรื่องขาดค่าน้ําค่าไฟ ยังเป็นหนี้ไฟฟ้าหนี้นะ้าปลาปลาอยู่ก็ไปช่วยกันบริจากถ่ายหนี้ค่าน้ําค่าไฟไปอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะทาให้แก่ผู้อื่นแต่เงินที่เราเสียสละไปนี่ได้ผลเหมือนกันไม่ว่าจะทำกับในรูปแบบไหนแล้วอีกอย่างที่เราจะได้รับจากการทำบุญกับผู้อื่นก็คือผู้อื่นเขาอาจจะมีอะไรให้เราแต่เราไม่ได้ไปเพื่อจะไปขอแลกเปลี่ยนนะ แต่เราไปแล้วเมื่อเราไปเขาก็อาจจะมีของของแถมของฝากให้เราเป็นพระบางลูกท่านก็จะแจกวัตถุมงคลคนบางคนชอบวัตถุมงคลก็จะไปทําบุญกับวัดที่เขามีวัตถุมงคลแจกมีตะกรุดมีมียันมีอะไรแจกอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลที่จะให้กับให้เรากลับมาพระบางลูกก็มีแต่ธรรมะอย่างมาที่นี่ก็มีแต่ธรรมะ คนที่อยากจะทำได้ฟังธทำก็ต้องไปทําบุญกับพระที่เทศ น, นี่แล้วประโยชน์ที่ได้จากการเทศกับการได้วัตถุมงคลมันก็ต่างกั น, นวัตถุมงคลก็ จ, จะทําให้เรามีความรู้สึกสบายใจมีอะไรคุ้มครองเราชีวิตเราจะมั่งมีสีสุขทำเป็นความรู้สึกถ้ามีปัญญาวิเคราะห์แล้วก็จะรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกัน ว่าความสุขความเจริญเราไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลถ้ามาฟังเทศฟังธรรมมันก็จะได้ความรู้อย่างนี้ที่เราจะอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าพวก ว, กวัตถุมงคลทั้งหลายมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองเหตุที่จะทำให้เราสุขเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองคือการกระทาของเราเองการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี่เป็นตัวที่จะทาให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นหรือต่าลงได้ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับต่างกันไปจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเหมือนกับเวลาเราไปเติมน้ำมันเราไปเติมทุกปั๊มเราก็ได้น้ำมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ทุกปั๊มนี้อาจจะมีของแถมไม่เหมือนกันใช่บางปั๊มก็มีผ้าเย็นแจกให้บางปั๊มก็มียาสีฟันแอลกสีฟันบางปั๊มก็มีขนมอะไรแล้วแต่เขาจะแจกเป็นเครื่องรอดใจคนไปซื้ออันนี้เป็นของแถมกลับมาจาก ในเวลาเราทำบุญเราจะได้สองอย่างถ้าเขามีของแถมแล้วก็ได้ของแถมด้วยแต่ถ้าไม่ได้ของแถมแล้วก็ได้บุญไม่ว่าจะทำกับใครได้บุญเหมือนกันแต่ของแถมนี่ไม่เหมือนกันไปวัดหนึ่งเขาแถมผ้ายันตะกุดอะไรต่างๆวัตถุมงคลไปวัดเขาแจกหนังสือเนี่ยที่นี่ก็มาก็แจกหนังสือธรรมะก็ได้ต่างกันไป ดังนบางทีถ้าอยากจะได้ปัญญาครเขาอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเขาต้องไปทํากับพระที่หลุดพ้นแล้วทํากับพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วท่านจะมีธรรมะที่จะสอนให้เราหลุดพ้นได้แต่ถ้าทํากับพระที่ต่ํากว่านั้นอาจจะยังหลุดไม่ได้เช่นไปทํากับพระโสโวดาบันนี่ก็ยังไม่หลุดยังติดอยู่เจดชาติเนีย ถ้าไปทํากับผ้าสกีดาคามีก็จะเหลือชาติเดียวถ้าไปทํากับผ้านาคามีก็ยังไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมอยู่ถ้าไม่อยากจะติดอยู่ในภพใดเลยก็ต้องไปทํากับพระพุทธเจ้าหรือผ้าอหารหันต์แล้วท่านจะสอนวิธีที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้อย่างเต็มที่อันนี้อันนี้ก็อันนี้สองต่างกันจากการที่เราได้ไปทําบุญกับบุคคลที่มีความรู้ ต่างกันเขาก็จะให้ความรู้กับเราต่างกันไปตามความรู้ของเขาถึางว่าถ้าถึงมีการทําบุญสองแบบทําบุญแบบไม่เลือกก็คือใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปใครอยู่ใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนเดือดร้อนก็ช่วยเข้าไปก็ได้บุญอันนี้แต่ถ้าทําบุญแล้วอยากจะได้ความรู้ได้ปัญญาอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆก็ต้องไปหาพระที่ เก่งที่ฉลาดที่มีความรู้สูงถ้าไม่ได้ก็เอาลองลงมามีหลายระดับเหมือนอาจารย์มีจบปริญญาหลายระดับอาจารย์จบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีถ้าไปเรียนกับอาจารย์ต่างระดับความรู้ก็จะไม่เท่ากันอันนี้คือถ้าอยากจะทำบุญถ้าต้องถ้าต้องการสิ่งตอบแทนเราก็ต้อง เราก็ต้องเลือกถ้าเราต้องการความรู้เราก็ต้องไปเลือกไปทำกับคนที่เขารู้มากเราจะได้เรียนรู้จากเขาได้แล้วมีอะไรแล้วก็ถามก็ได้เขาก็จะตอบเราได้ถ้าไปถามคนที่เขาไม่รู้ถามเขาเขาก็ตอบเราไม่ได้หรือถ้าเขาอายเขาไม่บอกว่าไม่รู้เขากลับไปตอบเราผิดแล้วก็พาให้เราหลงทางได้นี่คือเรื่องของการทําบุญมันมีหลายลักษณะด้วยกันนี่ยังไม่หมดนะ จะมีอีกหลายอย่างด้วยกันงั้นเดี๋ยวพูดไปมันจะยาวอยากจะให้พูดอีกไหมเรื่องทําบุญเนี่ยเรื่องทําบุญคนชอบบ่นเราชอบว่าเราเรียกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากต้องทํามาก응เขาก็หาว่าแล้วคนยากจนเยังก็ไม่ได้มากสิจะทํายังไงได้เรามันก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะแต่เราพูดถึงคนคนเดียวกันสมมติเราเนี่ยเราทําบุญร้อยบาทกับทําบุญพันบาทนี่เราจะรู้สึกยังไง เราจะรู้สึกมีความสุขเท่ากันหรือเปล่าทาบุญร้อยบาทกับทำบุญพันบาทนี้เราจะรู้สึกว่าเราได้ความรู้สึกเท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราเสียสละมากเราก็จะรู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์มากเราก็มีความสุขมาก อันนี้เนี่ยคนชอบถามด้วยาทำบุญ ย, ยังไงจะได้บุญมากๆก็ทําเยอะๆสิบองวอกทําเยอะๆเขากดเราอีกครันะฉันไม่มีอยําทำอย่าทำยังไ ง, งไม่มีก็ปไปหยากได้มากได้ยังไงไม่มีอยากได้มากก็ได้เท่านั้นอทําเท่าไหร่ก็มีเท่าไห ร, ไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าอยากจะให้พูดเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนเนี่ยทําบุญด้วยเงินเท่ากันเนี่ยแต่อาจจะได้บุญไม่เท่ากันเชื่อไหมเช่นคนนึงมี ล้านหนึ่งแล้วทําทําไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ทําไป <Okay. S 1> ห้าแสนออีกคนหนึ่งมีแสนหนึ่งทำครึ่งหนึ่งก็ทําแค่ห้าหมื่นบุญเท่ากันความสุขใจเท่ากันความอิ่มใจเท่ากันเพราะเสียสละเท่ากันเสียสัดส่วนของทรัพย์ของตนที่มีอยู่เท่ากันคือความอิ่มใ จ, มมใจสุขใจมันเท่ากันเท่านั้นเหมือนกับช้างกับหนูหนูกินข้าว ช้อนเดียวก็อิ่มใช่ไหมแต่ช้างนุ้นต้องกิ น, นข้าวสักถังหนึ่งถึงจะอิ่มเนี้ยความอิ่มมันเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่อย่างอื่นไม่เหมือนประโยชน์ที่ช้างกับหนูจะทํานี่ไม่เท่ากันใช่ไหมหนูไปทําได้นิดหน่อยช้างนี่ทําได้เยอะกว่าเงินที่เราไปทําบุญอห้าแสนกับห้าหมื่นนี่มันก็ประโยชน์มันก็ต่างกันห้าหมื่นอาจจะไปสร้างห้องชั่วมได้ห้องหนึ่ง ถ้าห้าแสนก็ไปสร้างกุฏิได้หลังอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ไม่ไมันไม่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็แล้วก็เงินที่จะกลับมาหาเราในพบหน้าชาติหน้าก็ไม่เหมือนกันอีกนยเพราะเราเอาเงินไปฝากไม่เท่ากันเงินทําบุญนี่เหมือนเงินเราฝากไว้ไในธนาคารเราเอาเงินห้าแสนไปฝากก็ อ, อีกคนเอาห้าหมื่นไปฝากเวลาไปเบิกคนห้าหมื่นก็เบวกได้แค่ห้าหมื่น่างเงี้ยเราบวกดอกเบี้ยอ่ คนที่เอาห้าแสนไปฝากก็เบิกได้ห้าแสนอย่างคนที่ท 5, ําห้าแสนกับคนที่ทำห้าหมื่นชาติน่ากลับมานี่จะได้เงินไม่เท่ากันจะฐานะร่ำรวยต่างกันะคนที่ทํามากกว่าก็ย่อมไ ด, ได้ได้ได้เงินทองมากกว่ารอเขไปเขาเป็นเงินที่ก็ไปฝากไว้เนี่ยธนาคารอย่งมันมีความต่างอย่างนี้จะทํายังไงอย่างถ้าถ้าถ้ายากจนถ้าอยากจะทําบุญเอ ถ้าอยากจะทำบุญถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำเป็นเป็นเป็นระดับบุญได้เพราะมีบุญที่สูงกว่านี้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ไปรักษาศีลไปบวชเสีย <c oughs> อย่างเราเนี่ยพอไม่มีเงินทำบุญเราก็บวชเลย <c oughs> แล้วก็ไปได้บุญที่สูงกว่า <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปติดอยู่กับการทำทำบุญถ้าเราไม่มีเงินถ้าเราไม่มีเงินแสดงว่าเราสบายเราไปทำบุญขั้นสูงกว่าเราไปบวชได้เลย เมื่อไม่มีเงินก็เที่ยวไม่ได้หาความสุขจากการใช้เงินไม่ได้ก็ไปบวชจะดีกว่าไปบวชแล้วทีนี้ก็จะได้ไปได้บุญที่สูงกว่าได้บุญจากการรักษาศีลบุญจากการนั่งสมาธิบุญจากการเจริญปัญญาที่ทานสู้ไม่ได้ที่เราทำบุญกี่แสนล้านก็สู้ไปบวชไม่ได้แตพระพุทธเจ้ามีเงินเป็นร า, ราชกุมารท่านยังสละมันไปเลย ไปหาบุญที่สูงกว่าดีกว่าบุญที่สูงกว่าจากการมีทรัพย์ไปทําบุญไปบวชจะดีกว่าอันนี้คือมีบุญหลายระดับด้วยกันถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ถ้าเราอยากจะได้บุญเยอะก่าคนที่เขาทําด้วยการอาใช้เงินทําแล้วก็ไปบวชนะแล้วไปถือศีล ร, รักษาศีล ร, รักษาศีลนี่บุญมันมากกว่าบุญที่ได้จากการทําทานความสุขมันมากกว่ากัน เอาแล้วนะคำข้อต่อไปคําถามจากคุณแจ่วครับหนูจะขอปรึกษาเรื่องหนูฝันว่าโดนยิ ง, ด, ยงด้านหลังอ่ะคะ่ะแบบนี้หนูจะมีเรื่องไม่ดีหรือเปล่าคะพระอาจารย์อ๋อมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราถูกยิงเรารู้สึกยังไงถ้าเรากลัวก็ไม่ดีถ้าเราไม่กลัวยอมตายแสดงว่าดีต่อไปเวลาเจอของจริงเราจะได้ยอมตายเป็น แล้วเราจะไม่ทุกข์ก็ใช่ไหมเราจะได้ไม่กลัวเอาจริงๆคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเวลาเขาฝันอย่างนี้ก็จะก็จะทําไปตามที่เขาปฏิบัติมาถ้าเขาปร่งได้เขาเวลาฝันก็จะถูกยิงเขาก็ปร่งในตอนที่เขาฝันก็จะไม่วิ่งหนีเขาจะไม่กลัวแต่ถ้าเรากลัวในฝันเวลาเจอของจริงก็กลัวเหมือนกันะอ เพราะใจตัวเดียวกันใจที่ฝันกับใจที่ตื่นนี่ตัวเดียวกันเจอเหตุการณ์นั้นเดียวกันมันก็จะมีปฏิกิริยาเหมือนกันอย่งนั้นถ้ากลัวก็รีบมาฝึกปรุงซะพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะฝันว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นจะตายแบบสงบตายแบบสบายหรือตายแบบทุกขถ้าตายแบบสงบสบายก็ต้องยอมตาย <c oughs> ถ้าตายก็ตายแบบทุกก็ ตายทั้งตายก็ทุกอยู่ก็ทุกก็เพราะว่าไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยใช่ไหมตอนที่เราตอนที่เราฝันแล้วเราเราพิจารณาเนี่ยมันคือสติที่พิจารณาในความฝันนั้นด้ไหมใช่มันก็อยู่ในฝันนั่นแหละใจเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันตอนนั้นมันไม่ได้ใช้ร่างกายมันไม่มีร่างกายตัวสติตัวอะไรมันก็ตัวใจตัวเดียวกันนี่แหละที่มันจะมันจะฝันแบบอัตโนมัติ คือเราไม่ได้ไปบังคับมันมันไปตามที่มันได้ฝึกถูกสอนมาให้ทำํำแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันก็เราอาจจะแก้ได้ถ้าเกิดมันมันไปคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าเรามีกําลังดึงมันกลับมาคิดในทางที่ดีก็อาจจะทําได้แต่ในฝันทําไม่ได้เช่นสมมว่าเรายังกลัวตายอยู่แต่พอเราจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าถ้ายอมตายเราจะไม่ทุกข์พอจะตายจริงๆก็ ตอนต้นมันทุกข์มันกลัวแล้วพิกมันกลับมายอมตายพอยอมตายมันปล่อยว่ามันก็หายทุกข์ได้แต่ถ้าอยู่ในฝันมันจะพิกไม่ได้มันจะไปตามที่มันเคยเคยเคยเป็นอยู่ดงั้นในฝันมันจะบอกเราว่าเราสภาพจิตของเรายังอยู่ในในระดับไหนปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได้ถ้าฝันร้ายฝันไม่ดีแล้วปล่อยได้ไม่ทุกข์กับมันแสดงว่าสภาพจิตเราเรา เราปล่อยวางได้คำถามจากคุณสัญญาครับเพื่อนของผมฝากถามครับเขาสวดมนต์แล้วเสียงเขาเปลี่ยนเหมือนไม่ใช่ตัวเองคืออะไรครับพระอาจารย์ก็เปลี่ยนนี่ก็เสียงเท่านั้นเองตัวเราก็ยังตัวเราอยู่เพียงแต่เสียงมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราสวดแบบไม่มีสติถ้าสวดแบบมีสติมันจะไม่เปลี่ยน ถ้าสวดแบบปล่อยให้มันสวดของมันไปเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็อาจจะวิปราดขึ้นมาแล้วมันก็เลยแสดงเสียงแปลกๆขึ้นมาได้ยิ่นี้อย่าสวดแบบนี้จะดีกว่าถ้ามันจะเปลี่ยนคอยบังคับมันอย่าให้มันเปลี่ยนเพราะว่าการนั่งสมาธิการสวดมนต์ น, นี้เพื่อควบคุมจิตไม่ใช่ปล่อยให้มันแผงลงฤทธิ์เข้าใจไหมคนบางคนไม่เข้าใจคิดว่านั่งนั่งนั่งสมาธิเพื่อปล่อยให้จิตมันแผงลงฤทธิ์ ปล่อยมันแพลงนิดมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปบางคนก็สั่นเป็นผีเจ้าเข้าทรงไปแล้วก็คิดว่าเป็นมีผีเข้ามีเจ้าทรงขึ้นมาหรือคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็ห <c oughs> ลงไปเสียสติไปนั่งแบบนี้คือนั่งแบบไม่มีสตินั่งสมาธิวิธีที่ถูกต้องควบคุมใจให้เป็นปกติไม่ให้มันเปลี่ยนให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันหยุดคิด ต้องมีพุโทโธหรือต้องมีการดูลมหายใจเข้าออกไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยมันให้มันแผงลึกขึ้นมาคำถามจากคุณหญิงครับกราบนมัสการพระอาจารย์ถ้าเปิดฟังทำคำสอนในห้องน้ำจะเป็นบาปหรือไม่ครับมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกกาลเทศะสำหรับในสายตาของผู้อื่นผู้อื่นเขาดูแล้วว่าอนี้มันมันวิปลาสหรือเปล่า มันรู้ที่สูงที่ต่ำหรือเปล่าแต่ถ้าเราใส่หูฟังแล้วเราฟังไปถ่ายไปไม่มีใครเขารู้ไม่เป็นไรอาจารย์มันถ้าเป็นของอยู่ในใจนี่มันไม่มีใครรู้ใช่ไหมเราถ่ายนี่เราอาจจะถ่ายแล้วเราอาจจะคิดเรื่องที่ดีก็ได้เรื่องที่ไม่ดีก็ได้มันอันนี้มันเป็นเรื่องของกาลเทศะที่มันเกี่ยวข้องกับผู้อื่นกับสังคมเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะ รู้จักกฎกฎติกาของสังคมว่าเขานิยมทำอะไรไม่นิยมทำอะไรเราก็ต้องรู้จักเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นภายในใจเราเนี่เราทาเราจะคิดอะไรอยู่ในท่าไหนทำอะไรอยู่นี่ไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าคิดไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนที่ไหนก็ไม่ดีทันั้นอย่าไปคิดถ้าจะคิดให้มันคิดแต่เรื่องที่ดีคิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศล อยู่ในห้องน้าห้องซ่วมแต่คิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลอยู่อยู่อยู่ในห้องปรับแอร์ติดอากาศห้องที่ปรับแต่งด้วยความสวยงามแล้วไปคิดเรื่องอกุศลเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่เราคิดแนีมันอยู่ที่เรื่องที่เราคิดคำถามจากคุณอนนบมีคนฝากเราทำบุญทอดผ้าป่าเป็นเงินจานวนหนึ่ง แล้วบอกว่าจะโอนให้เวลาผ่านไปก็ยังไม่โอนให้แล้วเราก็ไม่ทวงถามและถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ยินดีที่จะทำบุญในเงินจำนวนนั้นถามว่าจะเป็นบาปต่อเขาไหมครับก็บาปตรงที่เขาหลอกลวงเราพูดปลดเนี่ ย, นนยแต่เขาไม่ได้ชอบโกงเขาไม่ได้เอาเอาเงินของเราไปถ้าเขาหลอกว่าขอเอาเงินของเราไปทำบุญแล้วเขาไม่ไปทาบุญเขาได้สองกระง ได้ข้อหาหลอกลวงโกหกแล้วยังชอบโกงด้วยรักทรัพย์ของผู้อื่นแต่นี่เพียงแต่ว่ามาบอกแล้วว่าเขาจะทําแต่เขาไม่ได้ทําไม่ได้โอนเงินมาให้เราก็เท่ากับเขาโกหกเราเวลานั่งสมาธิค่ะแบบจําเป็นไหมคะว่าต้องกําหนดว่าพุดโธหรือแต่สมมติถ้าเหมือนเวลาหนูนั่งเหมือนพอนั่งตึบมันนิ่งไปเลยค่ะมันนิ่ง คือถ้ามันนิ่งแล้วมันไม่แสดงอาการอะไรก็ใช้ได้นิ่งไม่คิดไม่ฟุงแต่ไม่จำเป็นต้องนึกอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ต้องกําหนดเลยมันนิ่งยาวจนกว่าแบบจต่เรได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็แสดงว่าสติเราดีแต่เราต้องมีสติคอยรู้อยู่ว่าต้องดูว่ามันมันวิปลาสมันแปกไปหรือเปล่าถ้ามีอะไรก็อย่าไปสนใจมันให้ให้มันกลับมาว่างเหมือนเดิมมันนิ่งเหมือนเหมือนมันเหมือนมีความสุขอะค่ะมอนเหมือน ถ้าอย่างนันก็ใช้ไดไม้มันอิ่มอะค่ะมันมือน<ช>ทุกครั้งที่นั่งสมาธิร้อนเหมือนแบบเหมือนมีพลังในตัวเองอะค่ะใช่อย่างนั้นก็ได้ก็ อ, อ, อย่าให้มันมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็แล้วกัน<อ>ถ้ามีก็ต้องอย่าไปสนใจมันหรือให้มันหายไปทําใช้ถ้ามีสติก็สั่งให้มันหายไปได้ถ้ามันไม่หายก็ต้องใช้สติเพิ่มอาจจะต้องใช้พุโทโธหรืออะไรช่วยอขอบคุณค่ะ แต่ถ้านั่งเฉยๆได้ว่างแล้วเย็นสบายมีความสุขนี้ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ไม่ต้องมีลมก็ได้แสดงว่าเรามีสติควบคุมใจให้นิ่งได้แต่ถ้าเรานั่งแล้วคิดหรือฟุ้งอย่างนี้เราต้องใช้พุโทโธใช้สติช่วย ห, หยุดมันคําถามจากคุณสรนพบกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าเรียนถามว่าในบทสวดมนต์แปลทําวัดเช้า คำว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับก็พระริยบุคคลมีอยู่4ระดับพระโสดาบันพระสกิฎรคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แต่ละระดับก็มีสองขั้นตอนคือขั้นมรรคกับขั้นผลพระโสดาบันนี้ก่อนจะเป็นพระโสดาบันต้องผ่านขั้นมรรคก่อน คือต้องต้องเรียนก่อนเรียนเหมือนที่นักศึกษาก่อนที่จะได้ปริญญาตรีนี้ต้องเรียนจบ4ปีก่อนช่วงที่เรียนนี้เราไม่เรียกว่าเป็นบัณฑิตใช่ไหมยัยงพาะยังไม่ได้รับปริญญาช่วงนั้นเราเรียกว่ามักผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อที่จะให้มรุปเป็นพระโสดาบันนี้เรียกว่ากาลังจเจริญมักอยู่พอจเจริญมกักจนถึงขั้นที่มรุ์เป็นพระโสดาบันได้เราก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน งั้แต่ละขั้นจะมีบุคคลส อ, ส, อสองคนขั้นโสดาปฏิมร์กับโสดาปฏิผลเป็น1คู่หบุค่สี่คู่มี4ระดับโสดาปฏิมร์โซดาปฏิผล1คู่โซดาสกิดาคามีมร์สกิดาคามีผลอนาคามีมร์อนาคามีผลอรหัตตมร์อรหัตตผลก็เลยเป็น4บุคคลแต่สีสคู่ บุคคลเปลี่ยนจากขั้นมรรคไปสู่ขั้นผลเป็นหนึ่งคู่เข้าใจไหมถูกต้องตามนี้ก็ถามนะครั บ, รบก็เลยมีมีแปดบุคคลที่เราสวดในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่า น, นแยกไว้ว่าเป็นสี่เป็นเป็นสี่บุคสี่ระดับแต่เป็นแปดบุคลคลคำถามจากคุณแจนครับกราบเรียนถามเจ้าค่ะ โยมสังเกตเห็นอาหารของท่านอื่นที่เตรียมมาเพื่อจะถวายพระกำลังจะบูตรโยมควรจะบอกเขาเช่นไรเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายเจตนาของผู้ถวายอาหารเจ้าคะผู้ถวายและอาหารเป็นของมรคทายกวัดเจ้าคะ่ะหรือมิควรบอกเจ้าคะ่ะก่อนหนึเรารู้ได้ไงว่ามันบูตรถ้าเราไม่ได้กินมันจะไม่รู้ได้ไงใช่ไหมนี่ก็ลองถามว่าดูพี่บูตรหรือเปล่าของช่านที่ว่าบูตรก็บอกก็ได้ถามก็ได้ ถ้าเขาไม่พอใจก็อย่าไปพูดถ้าเขาพอใจก็ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขอชิมหน่อ ย, อยจะได้รู้ว่าบุญหรือไม่บุญก็บอกได้พูดได้แต่ก็ต้องดูคนที่เราบอกว่าเขาพอใจที่จะฟังเราหรือเปล่าถ้าบอกแล้วเขาไม่พอใจต่อไปก็อย่าไปบอกเขาก็แล้วกันหากว่ามีชื่อในเฟซใช้หลายชื่อในแต่ละกิจกรรมเช่นเฟซฟังธรรมและเฟซ ส, สังคมแบบโลก ไม่ปนกันจะผิดศีลไหมครับก็แล้วแต่ว่าในสังคมถ้าเขาถือว่าไม่เป็นการหลอกลวงก็ไม่ผิดศีลเพราะสังคมสมัยนี้อาจจะต้องใช้นามแฝงกันไม่ใช้นามจริงในใ น, ในการสื่อสารต่อบุคคลที่เราไม่รู้จักแต่เราไปใช้ชื่อจริงเราก็อาจจะถูกเขาเป็นเป้าให้เขามาทำร้ายเราได้ถ้าสังคมยอมรับกันว่าเป็นนามแฝงแต่เราก็รู้เนี่ยชื่นที่เข้ามานี่มันชื่อจริงใี่ไหนนะ ชื่อโยโย่ Yo, มันชื่ออะไรม้าง <c oughs> ก็รู้ว่าเป็นชื่อนามแฝงทั้งนั้นถ้ารู้กันแบบชัดๆว่าเป็นนามแฝงก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไห น, นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไปเหมือนกับว่ามีเจตนาที่จะให้เขาคิดว่าเราเป็นคนนี้จริงๆเนี้ก็เป็นการหลอกลวงกันแต่ถ้ารู้โดยชัดๆว่าไม่ไม่ได้หลอกลวงให้รู้ว่าไม่ต้องไม่ต้องการจะใช้นามจริงเช่นบางคนเขียนไว้ว่าไม่ประสงค์ออกนามนี้ที่ถ้าจะใช้ชื่อไม่ประสงค์ออกนามทุกคนมันก็เหมือนกันหมด ก็เลยต้องใช้นามแฝงแทนเนีท่านั้นเองนั้นเราไม่คิดว่ามันเป็นการผิดศีลเลยตรงไหนเพราะเราอยู่ในโลกของอีกโลกเอกแบบหนึ่งนะโลกของของของจินตนาการก็ได้ใช่หไหมในโลกของไซเบอร์นี่มันเป็นการจินตนาการกันไปหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงก็ได้ไม่ใค ร, รเดี๋ยวไปนัดเป็นแฟงกันเดี๋ยวไปเจอกันแต่นี่แค่วเป็นเป็นหญิงอะกลายเป็นชายไปก็ได้ ่ก็ต้องระวังท่านหนึ่งให้เรารู้ว่าเรากำลังเรากลังไม่ได้พบกับคนที่มีชื่ อ, อยางนี้จริงๆก็แล้วกันคำถามจากคุณปัทมาพรตอนลูกนั่งสู้อยู่กับเวทนาที่เกิดมันอึดอัดในช่วงแรกสักพักก็นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าให้อยู่กับพุทโธสู้ไปมันไม่ตายหรอกมันกลับกลายเป็นว่ามันถอนออกมา กลายเป็นเห็นตัวที่บอกให้พอเห็นตัวอึดอัดและเห็นตัวที่ถอยออกมาดูเฉยเฉยเจ้าค่ะถ้าแบบนี้ลูกควรนั่งต่อไปเรื่อยๆเกาะพุโทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ควรจะฝึกให้มันอยู่กับความเจ็บไปจนกระทั่งไม่กลัวความเจ็บนะพอเจอมันก็รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์อขอถามครับ ถ้าคนที่เขาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอยู่แล้วมีคนมาทําอึกระทึกคึกโครมทั้งที่เขาก็รู้ว่าภาวนาอยู่เขาจะบาปไหมครับพระอาจารย์สาธุครับเขาก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ไม่อาจจะไม่เป็นบาปหนักเหมือนกับการการทําผิดศีลแต่มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ไม่ควรกระทําเพราะไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนได้แต่ยังไม่ถือว่าอยู่ในคําว่าบาป บาปนี้เขากําหนดไว้ว่าอยู่ในศีลห้าอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าเป็นการกระทําบาปคําถามจากคุณสุธามนเวลานั่งสมาธิอยากให้จิตสงบจะทําอย่างไรคะก็ต้องมีสติเท่านั้นนะต้องใช้สติถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอจิตมีสติจิตก็จะสงบ คำถามจากคุณอินทร์กราบเรียนถามมีผู้ที่กระทำต่อเราไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลเราจะทำเหตุนี้ให้เบาบางลงอย่างไรบ้างเจ้าคะเราห้ามเขาไม่ได้ละเราเขาเป็นเหมือนดินฟ้าฝนฟ้าอากาศฝนมันจะตกเราห้ามมันไม่ได้แต่เราก็ศึกษาวิธีรับกับมันได้คือทำใจเฉยๆไปพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปโกรธเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาอย่าไปอยากให้เขาไม่ทำเราแล้วเราจะไม่เดือดร้อนคือฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาไปเพราะเราอยู่ในโลกนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกรูปแบบที่จะมาให้เราสัมผัสรับรู้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่เราจะต้องรับรู้เราไม่ค่อยเดือดร้อนกับฝนฟ้าอากาศใช่ไหมเพราะว่าเร า, เรารู้ว่าเราทาอะไรเขาไม่ได้ เราก็เลยหัดฝึกใจเราให้เราอยู่กับเขาให้ได้รับเขาให้ได้พอรับเขาได้เราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนกันคำถามจากคุณประหยัดสรุปแล้ววันนี้พระคุณเจ้าเทศนาสอนให้อยู่เหนือโลกถูกต้องไหมครับกราบสาธุครับก็สอนให้ปล่อยวางคือให้อยู่กับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ได้อยู่เหนือโลกให้อยู่กับโลกได้ ให้อยู่กับสุขก็ได้อยู่กับทุกข์ก็ได้อยู่กับคำชมก็ได้อยู่กับคำด่าก็ได้เพราะเราหนีเขาไม่ได้เรายูเาเา่เรายังอยู่ในโลกนี้อยู่ให้อยู่แบบหยดน้ําบนใบบัวอย่าไปดูดเข้าหากันต่างฝ่ายต่างอยู่เราเป็นผู้รู้ก็รู้ไปเขาเป็นผู้สแสดงก็ปล่อยเขาแสดงไปเหมือนดูหนังเนี้ยเราเป็นคนดูก็ดูไปคนสแสดงก็ปล่อยเขาแสดงไปเราอย่าไป มีอารมณ์กับสิ่งที่เราดูแต่คนเราดูหนังยังดูเฉยๆไม่ได้ใช่ไมดูยังต้องร้องไห้หัวเราะไปเด็ดอย่าไปดูแบบดูหนังให้ดูแบบดูเฉยๆดูแบบไม่มีอารมณ์คำถามจากคุณแซกกี่ครับผมเคยได้ยินว่าในสมัยพุทธกาลมีพระที่บรรลุแล้วฆ่าตัวตายแบบนี้พระท่านนั้นจะหลุดพ้นไหมครับ ไม่ทราบงานนี้เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่แน่ใจว่าบรรลุแล้วหรือยังไม่ไม่ทราบถ้าบรรลุแล้วนี่คิดว่าคงไม่ข้าตัวตายหรอกอาจจะตายตอนที่อาจจะบรรลุตอนที่ฆ่าตัวตายตอนที่ฆ่ายังไม่บรรลุพอข้าพอพอฆ้าปั๊บแล้วยังไม่ตายแล้วก็บรรลุตอนนั้นก็อาจจะได้อยู่อันนี้เราไม่ไม่แน่ใจ คำถามจากคุณฟูถ้าเราเห็นแมวกําลังจะตะปบนกแล้วเราช่วยนกโดยไล่แมวไปเพราะสงสารนกอย่างนี้ถูกไหมครับถือเป็นความกรุณาในพรมวิหารสี่ไหมครับถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปแต่จะมองอีกมุมมันก็อาจจะไปเบียดเบีย น, นไอ้นกไอ้ตัวไอ้แมวที่ไปกินนกก็ได้ก็มาขัดขวางการทํามาหากินของเขา แมวมันอาจจะฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็ได้งั้นบางทีการทําอะไรนี้อาจจะได้อย่างเสียอย่างคือไปช่วยเหลือคนนี้อาจจะทําให้อีกคนเขาโกรธเราก็ได้ไงั้นถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมอะไรใครบางทีก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามบุญตามกรรมของเขาไปไอคนนี้มันถึงคัาวจะตายก็ให้มันตายไปเราอย่าไปยุ่งดีกว่าไปยุ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตายแทนมันเนข้าใจไหม แต่ถ้าเราคิดว่าเรายอมเสียสละเอาไม่เป็นไรยอมเป็นโพธิสัตว์ยอมตายเพื่อผู้อื่นอา้างกตทัดก็ยอมก็ไม่เป็นไรเหมือนกันได้เหมือนกันแต่มันต้องมีผลตามมาอย่างใดอย่างหนึ่งจากการกระทําของเราคําถามจากคุณมุกดากราบนมัสการค่ะหนูขอถามว่ามีคนเขาเอาของมาฝากขายพอขายได้หนูโทรไปบอกให้มารับเงิน แต่แม่เขาบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วหนูก็ให้แม่เขามารับก็ไม่มาหนูเลยขออนุญาตแม่เขาโอนเงินนั้นไปทำบุญให้เขาแบบนี้เขาจะได้รับบุญไหมคะถ้าแม่อนุญาตมันแม่จะเป็นคนได้บุญเนี่ยเพราะงินนัน้นมันต้องตกเป็นของแม่ไปใช่ไหมเพราะถ้าลูกตายไปสมบัติของลูกก็ก็เป็นของพ่อของแม่ไป แล้วถ้าเราขออนุญาเจากแม่แม่เขาเนุ้อเยแม่ก็เป็นคนทําบุญเพราะแม่เป็นคนให้ให้ให้เงินนั้นไปทําบุญอี่ทีแล้วเราทําถ้าเราทําแล้วเราอุทิศให้เขาเขาต้องให้แม่เขาอุทิศเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําต้องบอกให้แม่อุทิศแเพราะมแม่เป็นเจ้าของบุญเราเป็นเพียงแต่เป็นผู้จัดการจัดการมรดกอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของมรดกไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์ คำถามจากคุณแพมกราบเรียนถามพระอาจารย์ดิฉันเป็นคนไม่ชอบไปทําบุญเวลาที่มีเทศกาลสําคัญทางาศาสนาเพราะวัดจะคนเยอะมากคนทําบุญก็เยอะมากอยู่แล้วแต่จะไปทําบุญเวลาอื่นหรือรูปแบบอื่นแทนแบบนี้จะได้บุญน้อยกว่าทําบุญในวันสําคัญทางาศาสนาหรือไม่เจ้าคะไม่ต่างกันละอย่างที่พูดเมื่อกี้ให้ฟังอยู่ที่การเสียสละของเราว่ามากน้อยเท่าไหร่ ไม่ได้อยู่ที่วันเวลาสถานที่บุคคลเสียสละมากก็ได้มากเสียสละน้อยก็ได้น้อยแต่ประโยชน์นี่อาจจะต่างกันไปไปทำบุญวันที่ไม่มีคนใส่บาตรคนใส่บาตรน้อยอาหารไม่พอกินพระก็จะได้อาหารเพิ่มขึ้นแต่ไปทำบุญที่วันนั้นมีคนใส่บาตรเยอะเกินมากเกินไปก็เสียของไปแล้วหรือพระก็ไม่ได้มากพระก็ได้เท่านั้น ส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นการเอาไปทำบุญทำทานแกผู้ผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไปคำถามจากคุณเบญจวรรณกราบนมัสการค่ะโยมฟัง ร, รมพระอาจารย์เข้าใจโยมภาวนาหลายปีรู้สึกทุกข์ที่ใจมาคลิกจากการใช้ปัญญาเพื่อให้ใจคลายทุกข์ต้องอดทนต่อสิ่งที่เรากระทำต่อตัวเราเอง และให้นิ่งต่อคำพูดและวางเฉยให้ได้ต่อทุกๆสถานการณ์เราต้องปฏิบัติให้เป็นคนที่อดทนมากกว่าคนปกติเพืเพ่อใจเราใช่ไหมเจ้าคะใช่เราต้องหยุดความอยากอดอดทนกับความอยากไม่อดทนกับใครหรอกหยุดความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์คนอื่นเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกใจเราต่างหากที่ไปทุกข์กับเขาเองคาถามจากคุณฝ้ายครับ กราบรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราเป็นผู้ทําอาหารใส่บาตรแต่เราไม่ได้เป็นผู้ใส่เองเราจะได้บุญนั้นด้วยไหมเจ้าคาก็แล้วแต่ว่าใครเป็นเจ้าของอาหารนั้นถ้าเราเป็นคนทําแล้วเป็นเจ้าของด้วยเราก็ได้บุญแต่คนที่ใส่บาตรเขาก็จะได้บุญส่วนที่เขามาช่วยเราใส่บาตรเราก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเราได้ทําอาหารเราได้เสียสละอาหารไปนี่เราก็ได้บุญสองส่วนนี้ ส่วนที่เราไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปใส่เองคนที่เอาไปใส่ให้เราเขาก็จะได้ส่วนนั้นมันบุญคนละอย่างเป็ น, ปนจะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เขามาช่วยเหลือเราเขาก็ได้บุญในส่วนนั้นไปคำถามจากคุณสุวรรณันทำบุญให้คนตายกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามส ก, กุลใหม่ต้องอุทิศให้ชื่อเก่า หรือชื่อใหม่คะับกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ทั้งสองชื่อก็แล้วกันง่ายก็จะได้รู้ว่าชื่อไหนอ่าเขามีมดีชื่อก็ใส่เข้าไปก็แล้วกันคำถามจากคุณเดือนเพนกราบเรียนถามค่ะกรรมของครอบครัวจะมีไปถึงลูกถึงหลานไหมคะพ่อแม่เคยเจอกรรมอย่างไรลูกต้องเจอกรรมแบบนั้นรหรือเปล่ากรรมใครกรรมมัน กรรมของใครใครทํากรรมมันไว้แต่ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่นไอ้ข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคําถามจากคุณสุธามน์สามีของหนูเวลาเปิดธรรมะเขาโมโหเป็นเพราะอะไรคะเพราะเขาไม่ชอบธรรมะที่เขาก็โมโห <laughs> อ่าให้เขาเปิดขวดเหล้าเขาอาจจะไม่โมโหก็ได้ <laughs> ยั้นถ้าไปทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็โมโห อย่างถ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบก็อย่าไปทำต่อหน้าเขาเปิดธรรมะแล้วก็ใส่ใส่หูฟังไปก็แล้วกันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำให้คนอื่นเขาโมโหหรือโกรธอารลวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ ออเสียงดังกันเกินสาธุจะ ไ, ได้กลับบ้านใช่ไหมวาวา <laughs> <laughs>